ปจชิมะพุทโววาฏปารถะธรมยังปจชิมะพุทโววาฏปาทถังพนามเซ ท่าทานิพิขเวอามันตยามิวนดูก่อนพิกสูทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าว่าธรรมมาสังาราสังฆานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทตา ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัจชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า